ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าจะตั้งนิกายใหม่ถ้าจะตั้งนิกายใหม่ให้ชื่อนิกายว่าอย่างไงก็ต้องขอกราบทเรียนให้ทราบว่าใช้ชื่อว่าพุทธนิกายเพราะว่าคําว่านิกายนี่แปลว่าพวกอย่างมหานิกายถ้าแปลว่าพวกมาก ธรรมยุตติไกยแปลพวกที่ประกอบพระดิธรรมแต่ความจริงอย่างมหาธิไก่พวกมากนี่แท้ก็มีมากแต่ว่าธรรมยุตติไก่ในแปลพวกที่ประกอบพระดิธรรมคําว่าธรรมนี่มีสามอย่างคือกุศลธรรมทำด้วยความฉลาดอย่างหนึ่ง <c oughs> และอกุศลธรรมทรื่องความโง่อย่างหนึ่ง อพยยาก็แต่รมทำเพื่อความสงบอย่างหนึ่งตอนนี้สำหรับทมยุตธนิกายนี่ท่านจะประกอบด้วยทำอะไรอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าการที่จะแยกในกายในความจริงเป็นการตั้งใจจริงมาตั้งแต่พศ2517ถึงพศ2520 เพราะว่าในตอนนั้นรับการกระทบกระเทือนมากจากนิกายที่ว่าได้รับการกระทบกระเทือนก็นเพราะว่ามันมีเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตามคติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํากบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายให้ช่วยการเจริญศรัทธาบรรดาแทานพุทธบริษัท คือนั่นหมายถึงว่าการสนับสนุนในการบำเพ็ญกุศลของท่านและตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ก็บอกว่าต้องให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลแต่นี้เรื่องมันมีว่าเมื่ออาตมามาอยู่วัดท่าสูงเมื่อปีพศ2511โดยเจ้าอาวาสเดิมที่พ้นสภาพไปแล้วไปดิมนมา การนิมนต์นิมนต์สามวาระที่บ้านในจันทร์ที่ตาบุท่าสูงครั้งหนึ่งสมัยมาจะม า, มาไปช่วยที่วัดปากคลองขำเท่าไปนิมนต์ที่วัดปากคลองขำเท่าครั้งหนึ่งแล้วก็สมัยจะมาไปช่วยวัดสะพานจังหวัดเชนาตไปนิมนต์ที่วัดสะพานครั้งหนึ่งครั้งนี้มี อุบาสโสบริการรับทราบมากเช่นพนอากาศตรีอาธรโลจนวิาพาดไปหัวหน้าเป็นต้น <c oughs> ทุกคนก็คัดค้านบอกว่าอย่าไปเลยต่อมาเมื่อตรวจดูสภาพของวัดวัดถ้าสุ่งเวลานั้นไม่มีสภาพเป็นวัดมีกุฏิอยู่สามหลังแสนยิ่โกงเครงเสื่อมมาแล้วใช้อะไรไม่ได้ <c oughs> อ๋อสุดมนก็เต็มใช้ไม่ได้เลยลวนโยเยเสลาก็โยเยโบสถ์ก็ทำท่าจะพังวิหารพังไปเลยแต่อย่าทรงตัวอยู่รังคากําแพงใช้ไม่ได้มีสภาพใช้ไม่ได้ก็เลยสงสารวัดก็นึกในใจว่าวัดนี้ทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้วัดนี้อยู่ใกล้ไม้คืออยู่ใกล้ป่า ตามธรรมดาวัดที่อยู่แล้วบ้านก็ดีวัดก็ดีที่อยู่ใกล้ป่ามันต้องมีความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> เพื่อการก่อสร้างสะดวกก็เลยมันึกถึงสภาพความเป็นจริงที่หลวงพ่อปานท่านบอกท่านบอกว่าเจ้าวาดกด็ดีวัดก็ดีมันมีสภาพเป็นคนเลี้ยงหมูถ้าวัดไหนขอโทษ ถ้าหมูฝูงไหนอ้วนก็สนแสดงว่าเจ้าของผอมคือเจ้าของขยันหมั่นเพียรในการหาอาหารมาเลี้ยง <c oughs> ถ้าหมูฝูงไหนผอมก็สนแสดงว่าเจ้าของอ้วนคือว่าเจ้าของที่เกียรเลี้ยงหมูกินอิ่มนอนหลับก็เลยมันนั่งนึกถึงสภาพแล้วก็ดูอีกจุดหนึ่งที่หลวงพ่อปานนั้นบอกว่าถาวัดไหนถ้าตีกลองร ะ, ะครัง หมาไม่หอนจะไปอยู่นะเพราะไอ้วัดนั้นเจ้าวัดมันเลวเต็มทีเมื่อมาแลกกระทดสอบลองตีกลองลองตีตะขังหมาไม่หอนจริงๆมันจะหอนอยังไงมีหมายอยู่สองตัวหมาตัวเมียใหญ่ตัวหนึ่งกับลูกหมาเล็กตัวหนึ่งหอมกระโรกระโสจะเดินไม่ไหวไปดูข้าวที่เหลือเหลือเป็นถังเข้าสุข มีพระแค่องค์เดียวคือเจ้าวาดวัดนี้เขามีเพราะว่าเจ้าเจ้าวาดอยู่องเดียวตลอดมานานๆจะมีทั้งสององสักครั้งหนึ่งไม่ออกบรรษาแล้วไอ้แบบนี้ก็สแสดงว่าคนที่อยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมวินยัยแล้วก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับเจ้าวาดกินวัด ในสมัยที่เข้ามาถึงเห็นฝาไม้เก่าๆบ้านทำไม้เก่าเต็มฝายังดีมากสภาพดีร้อยเปอร์เซนต์เต็มเปลี่ยนไม่บกสลายหลายสิบฝาเกินสามสิบฝาตั้งเรียงกันอยู่เป็นแถวก็คิดในใจว่าเออวัดนี้ดีนะถ้าทำการก่อสร้างมันก็ง่ายอุปกรณ์เก่ามีมาก พื้นไม่สักก็วางไม้ยาวๆหนามากวางเรียงรายกันอยู่ซ่อนๆอยู่เกินกว่าร้อยแผ่นยาวมากคิดว่าการก่อสร้างสะดวกจริงรับจะมาช่วยแล้วก็ดีวัดนี้จริงๆถ้าอยาสร้างหอสดมนเสาหนี้ปรากฏว่าตั้งมาแล้วสิบปีตั้งเสาหล่อเสามาแล้วสิบปีเสาแต่ละต้น ก็มีเจ้าภาพมาบอกว่ามีเจ้าของทั้งหมดแต่ตั้งแต่เรื่องตั้งเถวเสามันี่รายกดทาการเรื่อยยทุกปีแต่ก็ไม่มีของอะไรที่ยังงอกเงยขึ้นมาได้เลย<บ>ก็คั้นไปถามเจ้าวาดถามว่าเงินของวัดมีไหมท่านบอกว่าไม่มีเลย แต่ชาวบ้านในวัดใกล้เคียงบอกว่าวัดนี้เรื่องอะไรทุกปีไม่ทราบว่าเอาเงินไปไหนและได้ข้าวมากๆได้เงินมากๆแต่ละปีก็ลเลยต้องคิดว่ า, าวัดประเภทนี้ก็มีอยู่ด้หรือคำว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพิกุดแปลผู้เห็นภายในสงสาร จะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความจริงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยมอาจจะเป็นไปได้ยากกรรงความว่าต้องไม่สะสมคือไม่ลักไม่ขโมยของบุคคลอื่นเขาที่เข้ามาทำบุญทำตรงไปตรงมาความโกรธไม้จ้างต้องพยายามยับยั้งและก็ไม่หลงตัวเองในการมีอำนาจในเวลาสิบปีที่ทำการนี้ไรมานี่ เงินและข้าวมันหายไปไหนหมดจะไปดูมัดปลวกมันก็ลากไม่ไหวข้าไปเกลียนในเมื่อสองสารพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็รับปากท่านว่าจะทำเจ้าวาดทังก็ดีว่าการทำทั้งหมดเราจ่ายสตังกันคนลครึ่งอัตมาเองก็นึกว่าเราก็แย่เหมือนกันไม่ญาติโยมเราไม่อยู่แถวนี้คนของเราไม่มีอยู่เลย เพราะว่าจ่ายกระตังคนละเครื่องเราเสียท่าท่านแต่ไม่เป็นไรเอาช่วยกันต่างกำลังแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆพอเริ่มทำงานเข้าจริงๆเวลานั้นปรากฏว่ามีพระมาบวชอยู่ด้วยสิบองค์เศษตามมาบวชภายในสองเดือนท่านก็นแยกพระเอาไปสองคณะ แยกเลยแยกงานการทำไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดอาตมาก็ยังรักษาสัจจะและไอ้ของฝาไม้ต่างๆวัตถุต่างๆพื้นกันดานต่างๆเนะี่ยคิดว่าจะไม่ใช้ได้ครั้นไปขอตั้งเข้าท่านบอกว่าท่านจะทำโน่นท่านจะทำนี่แต่พอไปขอเข้าไม่กี่วันท่านบอ ก, บอกจะทำโน่นจะทำนี่ กลางวันมันยังอยู่อยู่สองสามวันวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นฝาไม้กระดานสมัยเก่าสวยมากสามสิบฝาเศษไม่มีแล้ว <c oughs> ไม้พื้นไม้สักที่กองอยู่เป็นกองกองก็ไม่มีแล้วก็ยังคิดในใจว่าเมื่อวานนี้มันยังอยู่ แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็โตข้ามก็ยังอยู่แล้วตอนเช้านี่มันเดินไปทางไหนของสงนี่มันญาติญาติโยมแล้วอยู่ด้วยกันไม่กี่องค์ถ้าจะขายจะจะเอาไปไหนมันน่าจะทราบด้วยกันตาราเบียบเขาต้องไปชุมสงในวัดก่อนแต่เปล่าลเบียบร้อยนี่เป็นจุดหนึ่ง แล้วต่อมาท่านจะวัดท่านก็ตั้งร้านอาหารร้านเหล้าในวัดเข้าหุ้นกับลูกหลานของท่านจะเป็นลูกหลานนั่นไม่ก็ไม่ทราบท่านก็บอกว่าเป็นลูกเป็นหลานกันแล้วจะมาสร้างกำแพงวัดไว้ท่านก็บอกว่าขอเจาะตรงนี้ถ้าวพรจะเจาะทําไมก็ประตูมันอยู่ใกล้ ท่าก็ไม่ฟังท่านก็นเลยไปทุบกำแพงให้เป็นช่องตรงกับร้านสุราที่ท่านตั้งแล้วสุราหานี่ก็เลี้ยงกันแบบส บ, สบายๆการทำบุญครั้งไรคือหมายความทำบุญพิเศษทอากระทิ้นทอดแบบปา่าบทนาคงานอะไรก็ตาม <c oughs> เลี้ยงสุราหายกันบนสนลายอย่างเปิดเผยเมากันเป็นปกติไม่ต้องย่องเข้าไปดูเระเดินผ่านหน้าวัดมาก็ทราบว่าเมากันแล้ว อาสุราหันเลี้ยงกันเป็นปกติเปิดเผยบนสลาล่องรำทำเพลงเต้นแรงเต้งกาแบบเมาเมาอาตมาก็เปิดสตานักสอนกรรมฐานขึ้นมาแกล้ก็เอาขยะเสียงปักตรงเข้ามาเลยลำโพงหลอดซะพูดกันไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นปีๆนะงานนี้ทำมาเป็นปีๆนะพระสังฆาดีการที่มีอำนาจปกครอง ไม่ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> แล้วต่อมาอาตมาเห็นว่าบทมันก็อย่าพังคิดว่าถ้าอยากทำขึ้นซ่อมขึ้นมาใหม่คนรักษาเป็นของเก่าทํำบทขึ้นมาใหม่ดีกว่านี่ขอเล่าลัดๆนะถ้าเป็นหนังสือจะละเอียดมากก็ ม, มีภาพถ่ายด้วยก็ไปขออนุญาตแทนสร้างพระมังโบสดขอบริเวณลานที่ใ ก, กล้ ท่านบอกว่าต้นไม้มันมากสงสารต้นไม้ถ้าจะสร้างที่ไหนได้ก็สร้างเถอะไอ้ <c oughs> ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่มากสงสารมันเอา้าอาตบายก็เลยบอกเอิรนมีที่บนส่งแกทราบว่ามันเป็นที่วัดเก่าแต่จเจ้าอาวาดองไหนก็ไม่ทราบขายไปเขาบอกว่าจเจ้าวาดขายไปเอาเงินเข้ามาแปดร้อยบาทเพื่อจะทำนโฉนดที่เก่า ถ้าขอขายที่นั่นไหนไปไม่ทราบพระเจ้าวาดองไหนอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบก็ไปขอซื้อเขาไร่ละหนึ่งหมื่นแต่ความจริงเขาขายงานละหนึ่งหมื่นเขาก็ดีเขาก็ให้เลยสร้างเป็นสำ น, นักวิปัสสนาใหญ่ขึ้นพอดีท่านดเรเดือนบุนนาคก็คุณหญิงเยามานบนนาค เอาพระพุทธรูปมาให้เป็นพระประธาน <c oughs> ท่านบอกว่าเมื่อท่านสร้างเสร็จก็มีท่านเดินกัะดานบอกว่าให้มาให้ที่วัดนี้เพราะได้พระประธานแล้วก็ตั้งใจสร้างพระอมโบสดสร้างอาคารขึ้นแล้วก็สร้างโรงพยาบาลขึ้นมา <c oughs> ตอนสร้างก็ใบกาศอยู่เสมอว่าไอ้ความจริงมันก็ไม่น่าจะคิดอะไรมันก็เป็นการรวมวัด แต่ว่าที่ไหนได้บรรดาญาติโยมเขาบอกว่าเป็นการสร้างแข่งวัดขนานวัดไม่ถูกตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ต้องห่างกันสามกิโลเมตร <c oughs> แล้วก็บอกไ้เส ม, อ, เสมอว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะไอ้ตัวเองนี่อยู่ที่วัดนีด้จะไปสร้างแข่งวัดยังไงเขาก็ไม่ยอมตอนนี้ลอดกันทุลู่ยทุ ก, กัง มาถึงตอนนี้ก็ต้องสงสารพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้ารณะ จ, จังหวัดท่านเจ้าคุณราชอุทัยกวีท่านเป็นพระผู้เท่าท่านเดินไม่ถนัดตอนนั้นท่านก็ป่วยมีคนไปไรายงานท่านผิดผิดฮว่าสร้างวัดแข่งวัดสร้างวัดขนานกับวัด ต่อมาเมื่อระยะเวลาที่ท่านจะมาบวชน่าจะมาทําบุญเนี่ยเวลารับท่านมาก็ให้นั่งรถตรงขึ้นศสนลาเก่าว่าจะกลับก็เอาท่านตรงกลับไปเลยท่านเดินไม่ไหวท่านยาจะขอดูที่ใหม่เขาก็บอกไม่ต้องดูก็รายงานผิดผิดบริการทั้งปวงต่อมาท่านทราบความเป็นจริงเขา้าท่านบอกโอ้โ ห, โหไอ้พวกนี้มันโกหกผมขนาดหนัก ท่านปราล็กรับคลคนหนึ่งบอานทีเขาทำดีๆเนี่ยมันพูดกับสักคนเรื่องราวตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการก่อสร้างท่าสร้างตามราคาประมูลมันก็เกิน30ล้านบาทแต่ความจริงการสร้างจริงทั้งวัดด้วยทั้งโรงจบาลด้วยไม่เกิน15หล้านบาท แต่อย่าลืมว่าไอ้เงินเป็นล้านๆเนี่ยม่ใช่เงินน้อยค่าของเงินมันสูงกว่านี้มากเ <c oughs> มื่อปีพศ .2507 ถอยหลังไปดูว่าค่าของเงินมันเป็นยังไงเป็นนั้นว่าวัดนี่จะรวมกันได้เกิดความยุ่งเขาประกาศบอกเขาจะไม่ยอมรับก็เลยคิดในใจว่าเออไอ้คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่ จะถือว่ามันเป็นพระทุกคนนะมันไม่ใช่บางคนก็เป็นพระสมบูรณ์แบบบางคนก็เป็นพระครึ่งๆ ก, กลางๆบางคนก็ไม่ใช่พระเลยอย่างประเภทตั้งร้านสุราเนี่มันไม่ใช่พระเรียงสุรากันบนสนลานี่ไม่ใช่พระเล่นการพนันกันบนสรานี่ไม่ใช่พระ ร้องลําทําเพลงกันบนเสนลาการปบรารีนนี้ไม่ใช่พระขายของสงกินนี่ไม่ใช่พระและการไม่ใช่พระเนี่ยมันจะไม่ใช่พระจะพระบคุคคลคนเดียวไม่ได้มันต้องมีพวกแล้วก็ต้องมีพวกเป็นขั้นเป็นตอนไอ้พวกที่มีการเห็นด้วยนั่นแหละพวกเดียวกันจะรวมความวันมานั่งนึกในใจวัดนี้เราสร้างเพื่อถวายพระพุทธศาสนา ก็ดีเหมือนกันนี่ถ้าไม่รับได้ก็ดีที่แรกคิดว่าเราจะถวายธรรมยุตนิกายไปหาดอกับพระธรรมยุตบานท่านถึงเป็นพระผู้ใหญ่ท่านยอมรับก็คิดในใจว่าถ้ามีแต่มหานิกายฝ่ายเดียวก็เหมือนกับร้านค้าที่ไม่มีร้านแข่ง จะทําของเร็วๆให้คนซื้อกินยังไงก็ได้ขายราคาแพงแบบไหนก็ได้ขายของปลอมแบบไหนก็ได้พูดโกหกหมดเท็จแบบไหนก็ได้เพราะไม่มีคู่แข่งแต่ว่าถ้ามีคู่แข่งขึ้นมาต่างคนต่างต้องทําดีท่านธรรมยุทธ์บางท่านท่านยอมรับแล้วก็นึกเออธรรมยุทธ์ท่านเป็นพระนะที่ใครว่าท่านไอ้ที่ท่าน จะดีไม่ดีมันอาจจะมีอยู่บ้านเป็นของธรรมดาแต่ว่าความเป็นพระของท่านดีมากและก็มหานิายเราด้วที่เป็นพระดีมีแล้วไม่มีเข้าไปหาพระผู้ใหญ่บางท่านในสมัยนั้นบางท่านนาตายไปแล้วท่านพูดลีลาท่านเป็นพระพร้อมแต่ว่าจริยายของท่านไม่ตรงกับคํำพูด ในที่สุดก็ไปไว้วัดสามพยาวัรสามัยาเวลานั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จเพราะว่าวัดสมามัญญาเนี่มีความเคารพมานานตั้งสมัยเป็นมหาฟื้นรู้จริยาว่าพระองค์นี้มีความเป็นพระอยู่ถ้าพูดอย่างคนโง่ๆ อ, อ, อยางอตมาเนะี่ยว่าการสะสมในโลกโมโทสัญของท่านไม่มี ความโกรธการจองล้างจองผันของท่านไม่มีกโกรธอาจจะโกรธได้บ้างอาจจะไม่พอใจใ้การไม่พอใจยังไม่ถือว่าเป็นการโกรธ ถ, ถ้าทำผิดก็ต้องไม่พอใจใน <c oughs> การจองล้างจองผันของท่านไม่มีการถือตัวถือตนของท่านไม่มี <c oughs> เฉพาะอาตมาเนี่ยก็คนอื่นไม่ทราบยังนึกว่าองค์นี้ยังเป็นพระอยู่หรือเปล่า จะลองไปหาดูถ้ายังเป็นพระอยู่เราจะไหวถ้าท่านเลิกเป็นพระเราก็เลิกไหวเรื่องไรจะไปไหวคนที่ไม่เหยียบพระการเวหาท่านจริงๆท่านเป็นตามเดิมไม่มีอะไรเป็นปกติกุติก็อยู่ในสภาพเดินจริยาท่าทางเหมือนมหาฟืน้นเวลานั้นถือพัด ร, รองสมเด็จ ก, ก็ไปกราบเรียนให้ทราบ เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าวัดนี้ลงตัวไม่ได้คือว่าสงฆ์ไม่ยอมรับผมก็ไม่ไม่งอ้อเพราะว่าผมเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจา้าไม่ใช่พระสงฆ์ของไข่ผมบวชตั้งแต่บวชมานี่พระสังฆารีการไม่เคยเลี้ยงอะไรผมเลยมีทางเดียวจับผิด สังคาริการชั้นที่ผมพบใะไอสูงขึ้นไปแต่ผมไม่เคยพบยังเคยพบไปองค์แรกองเนี้ยก็อีกองคหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ไปแล้วองคนั้นผมไม่ไหวหรอกที่เป็นพระอะไรก็ตามก็ขาไม่บอกในทีน่นี้ถ้าองค์นี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อีกผมก็เลิกไหวไปสังคาริการตั้งแต่ผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ผมจะตั้งนิกายใหม่ให้นามว่าพุทธนิกาย แล้วก็ท่านก็นเลยถามว่าการเป็นอุปชายคู่สวดปกครองบอกไม่ต้องนี่กายใหม่ผมก็เป็นอุปชาของผมมะปีผมจะไปแขกใครต่บอกพระราชยศปกครองนัตสงก็เลยบอกว่าพระราชยศปกครองนัตสงก็ดีกฎมหาเทระสมาคิก็ดีสังฆางนัต ก, ก็ดีทุกอย่างที่ร่างเกิดขึ้นมาดีหมดแต่ไอ้คนปฏิบัติตามนี่มันไม่มี ในเมื่อมันไม่มีผมก็จะปฏิบัติตามพระบรคณะสงฆ์กฎสังฆนัดกฎหมหาแทศสมาคมและสังฆนัเของผมเองโดยไม่ต้องพึ่งใครอันไหนดีผมจะไปใช้อันไหนไม่ดีผมจะโยนทิ้งไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมต้องการพระวินยัยวินัยอย่างเดียวพอ เดี๋ยวข้อสออุปชาเป็นเรื่องของผมผมจะบวชเป็นอุปชาของผมเองผมไม่ได้ขึ้นกับใครเนี่ยผมขึ้นตรงพระพุทธเจา้าท่านกนเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะรอผมก่อนนะรอผมก่อนถ้าผมทำไม่เสร็จแล้วก็ถึงวันที่เท่านั้นเรากำหนดวันกัน ถ้าวันที่เท่านั้นคณะสงฆ์ยังยืนกรานจะไม่รับจะประกาศตนแยกออกจากนิกายทันทีแล้วก็เป็นพุทธนิกายเป็นนิกายของพระพุทธเจ้ า, จา <c oughs> เคยพูดกับรองเจ้าหน้าทีการภาคว่าไอ้ส่วนที่ทําอยู่แล้วฝั่งของนิกายเดิมจะเอาก็ได้จะขายสี่ล้านบาทท่านบอกเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ไไมไดผมแยกนิกายอะไรผมจะไม่ให้แม้แต่เศษกระเบื้อง จะรื้อออกไปให้หมดไปตั้งใหม่แม้แต่รั้วกำแพงก็จะรือ้อหมดจะไม่มีอะไรเร็จเหลืออยู่เลยเรื่องอะไระเอาของดีไปบูชาคุณเลวไอ้ที่พูดนิญาติโยมเอาจริงๆนะตอนนี้ต่อมาก็ ร, กรายกรุณาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ไวสัมปัญาต่อมาท่านได้ดเป็นสมเด็จ แล้วก็ส่งพระราชากนะมาสององเจ้คุณราชรัตนกวีแล้วก็จ้าคุณราชอะไรก็รัตนเมทีรัตนอาไหลนวัดเจ้าเจียมฟ้าเนี่ยนะแรัตนรัตนโมลีมั้งเรียกหลวงพี่พี่เจ๊กเนี่ยสองคนมาเจรจากับท่านเจาน้าหนจังหวัดงวดแรกไม่ตกลง ได้ผลที่สุ์ก็เลยบอกดีแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ตกลงวันถึงวันที่เท่านั้นผมประกาศเป็นพุทธนิกายแล้วท่านก็ตือ ก, กลับกรุงเทพโลสมเด็จสั่งมาบอกมาใหม่ขอถึงเวลาขอเลื่อนไปเวลาเท่านั้นไม่กี่วันเลยไปสิบวันกว่าก็รวมความวันนั้นไปถึงเจ้าหน้าจังหวัดความจริงเจ้าหน้าจังหวัดท่านไม่มีอะไรตอนนั้นท่านยังไม่เข้าใจ พอเข้าใจแล้วก็เลยไม่มีอะไรยอมรับได้การยอมรับเขตเป็นเขตวัดเป็นของพระพุทธศาสนาขบรรดาญาติโยมพระธบริษัทและท่านที่รับฟังพระทั้งหลายฟังไว้ด้วยว่าผมเลื อ, อตมานี่ถาวายแก่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นของพระพุทธศาสนาไม่ได้ถาไวายไว้ภายอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลเลวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ฉะนั้นให้ทราบไว้ไดีว่าผมก็ตั้งใจไว้เสมอว่าต่อเมื่อไรได้รับการกระทบกระทั่งที่ไม่เป็นธรรมเมื่อไรอย่ประกาศแยกตัวออกจากนิกายทันทีแล้วจะเป็นพุทธนิกายเมื่อก่อนนี้ความจริงตั้งใจจะแยกจะพอะตัวแต่เวลานี้ซื้อที่ไว้จริงๆทั้งหมด200ร้อยไร่เศษ แล้วก็ทำการก่อสร้างไว้พอสมควรเรียกว่าพระสามร้อยองค์นี้อยู่สบายสบาย <c oughs> แล้วก็ญาติโยมผู้ธบริษัทอีกสองร้อยคนอยู่ภายในวัดได้สบายเงินนี่ได้มาจากไหนเขาลือกว่าได้มาจากคอมมนิสต์บางคอมมนนอยบ้บางเกือบจะต้องเป็นคอมมนิสต์ไปแล้ว พวกนี้นะมันโจมตีด้วยเหตุนานาบริการ ท, ทั้งท่านที่เร็วๆอาศัยสีบา ร, รมีอยู่หา ก, กินกันร่ำรวยได้กันปีเป็นหมื่นเป็นแสนทอดเปลามาสมัยก่อนไม่มีทางได้เลยอาตมามาอยู่นี่อาศัยเสียอาศัยแสงอดฉันอยู่วัดท่าสงฉันเป็นคนของวัดท่าสงไปหาชาว บ, บ้านเขาก็เข้าใจผิดคิดอาตมา มีญาติโยมหลายคนที่มาทอดพระปาถ้าห้าหกหมื่นบอกผมไหมผมไม่ทราบเลยคิดว่าหลวงพ่อถ้าผมรู้อย่างนี้ผมไม่ามาให้หรอกเขาถต่ไหแล้วเขาก็ข้ามมาหานี่เป็นอย่างไรรวมความว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบเวลานี้ก็ยังพร้อมอยู่ที่จะแยกนิกายทันทีเมื่อรับความไม่เป็นธรรมถ้าสร้างความกระทบกระเทือนเมื่อไหร่ เวลานั้นจะแยกออกจากนิกายนี้ทันทีที่บรรดาญาติโยมพู้บริษัทและก็พระมากลายถามว่าเมื่อไรจะแยกนิกายครับผมพร้อมจะร่วมด้วยก็ขอเพื่อคุณเจ้าทุกคนอนุาญาตโยมพูทตบริษัททุกท่านดูความเป็นธรรมถ้าความเป็นธรรมยังมีอยู่เพียงใดเราก็ยังร่วมนิกายอยู่ เพราะว่าคนนุ่งผ้าเหลืองไม่ได้เลวทุกคนท่านที่ดียังมีอยู่มากท่านที่เลวก็มีจำนวนไม่น้อยหากว่าท่านที่เลวมียมนาาเกินไปท่านที่ดีหลงคนเลวหลงการสอพราะมาบิดปิ้นเราเมื่อไรอาดามาจะประกาศให้ทราบทั้งเนืองสือแล้วทั้งวิทยุกระจายเสียงเท่าที่ท่าท่าสามารถจะทำได้ จะประกาศแยกจากนิกายทันทีและก็ถ้าวัตถุ ก, ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นของนิกายเดิมเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะปกครองเราก็จะรื้อให้หมดรื้อไม่ให้เหลือซากแม้แต่กำแพงเ็ษเหล็กเศษไม้ไม่ให้เหลือเศษปูนรือไปตั้งในที่ใหม่ของเราต้องมีที่พอที่จะทำได้แต่แต่ว่าถ้า บรรดานักบวชหรือว่าพระทั้งหลายที่บวชที่ท่านดีแต่ไม่หลงคนเลวถ้าคนเลวมาเบียดบินเราเมาื่อไร่ท่านให้ความเป็นธรรมเราก็ยังไม่แยกนิ่กายเพราะไม่ต้องการทํำลายความสามัคคีไม่ต้องลายทาลายความดี <c oughs> ถ้าทํากันอย่างที่แล้วมาไม้แตแตะเรื่องคขามาหนิดเดียว เวลานี้เราทำทุกอย่างตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสุขวิปัสสโกตีวิชโชชรพินโยปฏิสัมพิพพิทัปโตมันดาพวกนุ่งเหลืองทั้งหลายศึกษาให้ครบด้วยอย่าได้พูดส่งเดชว่าไอ้นั่นเป็นเบญโ อ, อตรุริมนุษธรรมไม่ใช่ความเป็นพระใต้การที่ไม่ศึกษาให้มันครบถ้วนและไม่ปฏิบัติตามเอาแต่เรื่องไปพูด พูดหลอกชาวบ้านเขาว่าฉันด well le ีอย่างนั้นฉันดีอย <Nich> ่างนี <shop> ้แต่สะสมเงินทองเป็นมหาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนมันดีมากเลยเขาบอกให้ทราบว่าในเมื่อทําตามแบบที่พระธเจ้าทรงแนะนําแล้วยังจะหาว่ากันไม่ดีเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้การบวชพระก็ไม่กันพระพรุทธเจ้าบอกให้อยู่ติดพิญปริวัตรหรือศึกษาจินสมาธิปัญญา แล้วก็ตั้งเกณฑ์ว่าแต่ใครไม่ได้มโนยิธิเราไม่บดแล้วก็ดูว่าแล้วว่าระเบียบของวัดมีวินัยมีถ้าปฏิบัติไม่ได้เราก็ขับทันทีถ้าอย่างนี้หากว่าท่านยังเห็นว่าไม่ควรผมก็อยู่ร่วมกับท่านไม่ได้เรื่องยศถาบรรดาศักด์อย่าคํานึงเลยครับเจนนึกว่าผมหลงผมไม่ได้หลงยศถาบรรดาศักติ์ระกูลเจ้าเพราะที่โปรดทราบ ลบรรดาญาโยามบริษัทเรื่องจัดแยกนิกายเนี่ยเนื้ยื่อตั้งนิกายใหม่ฟังดีเพียงโดยย่อนะแต่ว่าถ้าหนังสือออกมาแล้วก็มันจะละเอียดดีกว่านี้มีภาพชัดเจนแจ่มใสามากคอยหนังสือก็แล้วกันแต่ว่าหนังสือก็อยังออกได้กว่านานเพราะเวลานี้กำลังป่วยมันป่วยมาปีเศษแล้วทำอะไรไม่ได้เวลาหมดสามสิบนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีเดบันดา ญ, ญาโยมพุทธศาสรรนิกชนทุกท่านที่รับฟังสวัสดี